พูดถึงปฏิสนธิเนี่ยนะขอขอไ ป, อไปคือการเกิดในภพต่างๆเนี่ยถ้ากล่าวโดยวิญญาณทิติจะมีเจดถ้ากล่าวโดยสัตวตาว า, จากจะมีเกทีนี้เจ็อย่างเนี่ยนะก็เงื่อนไขก็ปฏิสนธิจิตต่างกันร่างกายแตกต่างกันอย่างหนึ่ ง, อ ย, งอย่างที่สองก็ ปฏิสนธิร่างกายปฏิสนธิจิตต่างกันแต่ร่างกายเหมือนกันนะร่างกายที่ปฏิสนธิจิตที่เหมือนกันแต่ร่างกายที่ต่างกันเนี่ยปฏิสนธิจิตที่เหมือนกันเนี่ยนะหมายถึงว่าโดยเวทนาเหมือนกันโดยสัมปยุตเหมือนกันโดย วัตถุเหมือนกันเนะ น, นี่ยนะอันเนี้ยตั้งคําว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็หลากหลายอยู่ดีเห็นไหมแต่ร่างกายนี่ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเดรัจฉานก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็แตกต่างกันเสร็จแล้วก็ร่างกายเหมือนกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันถึงเงี้ยนะอาการสาวิญญาอากินเนี่ยนะก็แบ่งก็เป็นเจ็ดอย่างแต่ว่ากลุ่มกลุ่มเนี่ยจะทําให้เข้าใจถึงรางปฏิสนธิจิตที่พวกนี้นะพวกปฏิสนธิอันนี้ ปติสนธิจิตที่เหมือนกันแต่ร่างกายนี้ต่างกันต่างกันนี่อะไรทำให้ร่างกายแตกต่างกันก็กรรมเช่นว่าถ้าโทสะมีกำลังโดยมากนำเกิดในร่างกายแบบนรกถ้าโลภะมีกำลังนำเกิดโดยมากก็เปรตถ้าโมหะมีกำลังโดยมากก็เป็นเดรัจฉานเนี่ยนะก็โลภะโทสะโมหะเป็นตัวไปจำแนกกายแต่ว่าจะให้วิบากเป็น เบขาเหมือนกันเท่านั้นแต่จิตเหล่านี้นะถ้าเราจะเข้าใจชัดเนี่ยเมือ่อเมื่อไหร่เมื่อเราชีพพิจารณาชีวิตในปกติของเราเนี่ยชีวิตธรรมดาของเราเน่ว่าแต่ละวันนี้จิตถ้าไม่เป็นกุศลก็ อกุศลใช่ไหมถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลได้8ถ้าเป็นอกุศล12ทีนี้ถ้าเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆค่ะกุศลจะให้ผลจะให้ผลยังไงถ้าอากุศลให้ผ ล, จ ะ, ผลจะให้ผลยังไงเนี่ยนะก็มาไข้ครวนเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเอาเรื่องนี้มาคิดเยอะอยนะแล้วก็จะคิดถึงรู ป, ปากายนะคือเรียกอย่างนี้แหละคือเรียกว่าพิจารณาสัตวโลกเนี่ยนะเป็นที่ดูบุญดูบาปเนี่ยนะแต่ว่าทั้งหมดนี้พอขยายเข้าไปละเอียดจริงๆก็มีแต่ขันอายตนะและ ธาตุเท่านั้นเองนีะแต่ว่าแค่ขันนุยตนาธาตุนี้พูดแบบพระอริยะท่านพูดนะนะแต่ว่าอันนั้นไม่มีอิทธิพลต่อเรามากนะเนเช่นเห็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะโหพูดกันสามปีไม่มีจบเนี่ยนะเพสตินะูนีตอนที่มันทิที่เป็นิตรปฏิสนธินี่นะก็ไม่ใช่ยมีอยู่เดียวไมนนี้ทหน้าที่จะพ อ, อไม่ตัวนี้ทาสามารถทำกิจได้ห้ า, าคือคือโดยองค์ประกอบนะเช่นวัตถุคือหนึ่งอาศัยหาไทยวัตถุเหมือนกันสองชาติวิบากเหมือนกัน 3, สามสัมปยุตธรรมเท่ากันเมื่อเมื่อมั น, มนองค์ประกอบแบบนี้เลยเรียกว่าหนึ่งชนิดทีนี้ก็แบ่งไปตามกิจของมันอีกถ้ามันทำถ้าเกิดทางปัญจทวารวิธีเรียกว่าสันติระนากิจไปแตกต่าง ก, กันโดยกิจเนี่ยนะแต่ถามว่าอันเดียวกันไหมไม่ อย่างนีก่อี่ับสนมาเต็มวัไม่ไม่ใช่อันเดียวกันคือทำกิจคือองชนิดองค์ประกอบมันเหมือนกันเท่านั้นเองอนะะนะเช่นแล้วมาจากกรรมคนละกรรมด้วยนะไอตัวที่มาทํากิจปฏิสนธิผวังจุติตถารรมนาะสันติรนะเนีย่ยมาจากกันคนละกรรมเลยบางอย่างเป็นผลของทิ่ตธรรมบางอย่างเป็นผลของอุปชา esus, บางอย่างก็เป็นอัปราปริยะนเนี่ยนะแล้วก็กรรมเหล่านั้นนั้นเนี่ยก็อาศัยปัจจัยองค์ประกอบอย่างอื่นอีกตั้งเยอะเนี่ย ทีนี้ต่อไปว่าวิญญาณ8เนี่ยนะสหรคต ก, กับอุเบกขาอันหนึ่งวิญญาณสี่มีจักขู่วิญญาณเป็นต้นแม้เป็นวิบากทั้งสองฝ่ายก็สหรคตด้วยอุเบกขาเท่านั้นทั้งในอนิษถารมทั้งในอิทธารมเพราะความกระทบกันแห่งอารมณ์เนี่ยนะกับวัตถุเป็นธรรมชาติที่มีกำลังสามจริงอยู่ วัตถุมีจักขคูเป็นต้นที่เป็นวัตถุแห่งวิญญาณแม้ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นอุปาทายรูปเท่านั้นธรรมชาติมีรูปเป็นต้นที่เป็นอารมณ์ก็เป็นอุปาทายรูปเหมือนกันการที่อุปาทายรูปกระทบกับอุปาทายรูปมีกําลังน้อยยิ่งนักดุดปุยนุ่นกับปุยนุ่นกระทบกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิบากสีมีจักขคูวิญญาณเป็นต้นเหล่านั้นจึงสหรคต ด, ด้วยอุเบคาอย่างเดียวในอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะ เฉพาะ อ, อุปาทายรูปนะกระทบอุปาทายรูปโดยให้อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยนะอกุศลวิบากก็4ี่กุศลวิบากก็สี่ทีนี้ถ้าโดยโดยอะไรข้างบนนี้โดยวัตถุเนี่ยนะอันนี้ก็ส า, ย จ, ายจักขูก็สายจักขวัตถุโสตวัตถุ คานวัตถุเชีวหาวัตถุซึ่งวัตถุทั้งสี่นี้เป็นอุปาทายรูปทั้งนั้นเลยเห็นไหมเป็นอุปาทายรูปทีนี้อารมณ์ล่ะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์ทั้งสี่ประการนี้ก็เป็นอุปาทายรูป อุปาทายรูปกับอุปาทายรูปกระทบกันเนี่ยอ่อนกําลังมากเหมือนกับปุยนุ่นกระทบกับปุยนุ่นว่ากันเพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตทั้งแปดนี้จึงเป็นอุเบกขาเท่านั้นเนี่ยนะที่เกิดร่วมกับจากครูวิญญาณโสตค า, าหน้าชิวหากายวิญญาณจึงเป็นอุเบกขาเพราะวัตถุกับอารมณ์เนี่ยมันกระทบกันอ่อนกําลังมากอ้าวเห็นแล้วแสบตาเลยที่แสบตาไม่ใช่ทวารตา มันทาวารกายคนลทาวารได้ยินแล้วแสบแก้วหูเลยอันนั้นก็ไม่ใช่ทาวารหูแต่ทาวารกายเนี่ยนะก็คนลทาวารกันทีนี้ถามว่าถ้าเหตุผลที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายละ่ะ ก, ก็มาดูเหตุผลต่อไปกายวิญญาณสองสหรัตด้วยสุขและทุกข์ก็มหาภูตรูปทั้งสาที่เรียกว่าโพธพะนั่นแหละเป็นอารมณ์ ทวีโพธัพอารมเตชโชโพทัพอารมณ์และวายโพธัพอารมณ์เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณเพราะฉะนั้นโพธัพอารมณ์นั้นแม้กระทบที่กายประสาทแล้วก็เลยกายประสาทนั้นไปกระทบที่มหาภูตรูปอันเป็นที่อาศัยของกายประสาทนั้นก็การที่ภูตรูปกระทบกับภูตรูปนั้นมีกําลังแรงกว่าประดุเวลาที่วางปุยนุ่นไว้บนทั่งบนทั้งก็ว่าบนเขียงอะไรนะ เอาปวยนุ่นบาวางไว้บนเขียงแล้วเอาค้อนตีเข้าไปเนี่ยนะค้อนก็เลยปวยนุ่นเนี่ยไปกระทบกับทั้งหรือกระทบกับเขียงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นกายวิญญาณจึงสหรคตด้วยทุกในอารมณ์ที่ไม่น่าปรานาคืออนิถารมสหรคตด้วยสุขในอิทธารมเพราะการที่วัตถุ ก, กับอารมณ์กระทบกันเป็นภาวะมีกำลังแรงชนี้แหละตัวอีกครั้งหนึ่งนะเฉพาะกายวิญญาณ ที่ที่เกิดขึ้นถ้ากายวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากก็เป็นทุกข์ที่เป็นกุศลวิบากก็เป็นสุขทีนี้สุขทุกข์เนี่ยน ะ, ะกล่าวโดยวัตถุ ก, ก่อนวัตถุคือกายะทีนี้กายะนี้อาศัยอะไรอาศัยปฐวีอาโปเตโชและวายโยมาภูตรูปอันนี้เกิดจาก กรรมกรรมอันนี้มาจากอะไรเป็นปัจจัยอพนนธทพะตันหาเนี่ยนะโธทพะตันหาเป็นปัจจัยก็ตันหาชอบในวัตถุที่อวิชชาปิดไว้เนี่ยนะทีนี้อารมณ์แหะอารมณ์ก็เป็นปัทวีโธภพารมเตโชโธภพารมและวายโธทพารม ถ้าแข็งน้อยเขาเรียกว่าเรียกว่าอ่อนจริงๆก็คือแข็งะนะแต่ปริมาณความแข็งมันน้อยลงเรียกว่าอ่อนถ้าเตโชจริงๆก็คือความร้อนแต่ความร้อนที่ลดลงเราเรียกว่าเย็น <Y en. S 1> แต่วาโยก็เคร่งตึงหรือว่าเคลื่อนนะนะที่ตัวเคลื่อนทีนี้ไอ้ปฐวีเตโชวาโอเนี่ยเป็นมหาภูตรูปะนะเป็นรูปที่ใหญ่รูปที่เป็นประธาน อารมณ์อนี้ไปกระทบกับกายภาษาทะเข้าเนี่ยนะเพราะเป็นประเภทมุตตารม์นะเป็นอารมณ์ที่ต้องถึงตัวภาษามหาพูดกระทบกับกายเนี่ยมันหยุดอยู่แค่กายไหมมันเลยไปหาพูดมหาพูดอันนั้นด้วยเช่นว่ามันไม่อยู่แค่กายภาษาท่านะมันจรดผิวจรดเนื้อจรดกระดูกจดเยื่อในกระดูกจรดเอ็นมันจรดไปเยอะอนะมันถึงมหาพูดเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ส่วนที่ดีไปกระทบก็ทําให้เกิด ความสุขส่วนที่ไม่ดีไปกระทบก็ก่อให้เกิดความทุกข์ท่านบอกว่ามหาพูดกับมหาพูดมันเหมือนกับค้อนกระทั่งกระทบกันเนี่ยนะมันผ่านกันเพรา ะ, ะนั้นมันจึงก่อให้เกิดถ้าดีก็สุขไปถ้าไม่ดีก็ทุกข์ไปเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราควรเอาไปพิจารณาเพราะจริงๆแล้วนะอารมณ์ภายนอกมันกระทบถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแนละ้วมันกระทบเข้าถึงสิ่งนั้นๆจริงๆอะ่ะ มหาพูธรูปนะแล้วอารมณ์บางอย่างมันทำให้มหาพูธรูปเหล่านั้นอะแตกละเอียดเลยนยะเช่นว่าปฐวีที่เป็นรถยนต์เนี่ยกระทบกับกายยปสาธาที่อยู่ในอะไรมังอะไรนะตะโจอย่างเงี้ยนะี่ตะโจนี่หลุดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันแรงมากไออารมณ์ข้างนอกอะนะเจ็บก็เจ็บจริงๆอะ่ะปวดก็ปวดจริงๆรแต่ถ้าของดีมากระทบก็สุขจริงๆอีกนั่นแหละ ไม่ได้นะร้อนก็ร้อนจริงๆเลยเย็นก็เย็นจริงๆเลยแหละอันนั้นนะไม่ไม่ค่อยอ่ะถ้าเย็นมาเนี่ยผิวหนังเป็นยังไงนะถ้าอากาศเย็นๆมากๆอ่ะนะถ้าร้อนมากๆผิวหนังก็เสียอีกถ้าแข็งมากๆไปกระทบกับแข็งจริงๆเลยนะถ้าแข็งถ้าความแข็งปริมาณที่มันบางด้วยแข็งด้วยอะไรสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรของมีคมใช่ไหมแข็งมากแล้วบางมากสิ่งนั้นเรียกว่าของมีคม เนี่ๆนะว่าของมีคมนั่นเองแข็งด้วยคมาบางด้วยนะก็เรืของมีคมทีนี้ถ้าไปจรดเกษาโลมาณนขาทันตาตะโจเนี่ยขาดหมดไม่มีเหลือเ น, น, น, น่ันมีดโกนพระก็เลยขายได้ไงเพราะมันโกนได้ต่อไปว่าสัมปติชนะสองดวงนี้สหรคต ก, กับอุเบขานั่นนะทั้งที่กุศลวิบากอากุศลวิบากแล้นนะ ส่วนสัมปติชนะจิตทั้งคู่ย่อมเกิดในลำดับแห่งจกักรคูวิญญาณนะนลำดับวิญญาณมีจกักรคูวิญญาณเป็นต้นซึ่งเป็นวัตถุที่อาศัยไม่เสมอกับตนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกําลังมากเพราะไม่ได้อนันตระปัจจยัยแต่จิตที่มีวัตถุเป็นที่อาศัยเสมอกันเหมือนบุรุษขาดผู้อุปธรรมที่สภาฆะกันคือเหมือนจิตนั้นนะนะก็เลยไม่ถูกเสวยรสแห่งอารมณ์โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้นสามปฏิชนะจิตทั้งคู่จึงสหรคตด้วยอุเบกขาอย่างเดียวในแม้ในอารมณ์ทั้งปวงสันติรณะฝ่ายกุศลวิบากสหรคตด้วยสุขและอุเบกขาในอิทธารลมและอนิธารณมโดยปริยายที่ต่างกันจากคำที่กล่าวมาแล้วดังนี้แลวัตถุนี้มันก็กกสำคัญเหลือ ก, กัน เสียงอันนี้นี่ที่บ้านผู้การธนัดก็ได้ยินแบบนี้แหละตอนแรกๆนะทำถนนก่อนั้นกพออีกช่วงหนึ่งไอพ่นวิ่งตลอดเลยนึกขยันขึ้นมาก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้าโดยวิธีนะก็ที่สมมุติแบบนี้ขึ้นมาเพื่อสะดวกต่อการศึกษานะ เวลาคุณเห็นนี่จิตมันเกิดกลมๆอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ก็เพื่อสะดวกต่อการเรียนอย่าไปคิดอะไรมากนะอติตะพวังพวังขจารณนะผวังคู่ปชเฉทเนี่นะแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะทวิปัญจสัมปติชนะสันตีรณะโวทพนะแล้วก็ชาวนะเนี่ยนะนะอันนี้เรียกรวมๆ ว, ว่าพวังเนี่ยนะ อันนี้เรียกว่าอาวัชชนะอันนี้เรียกว่าทวิปัญจวิญญาณตัวนี้สัมปติชนะตัวนี้สันติรณะโวทพณะและก็ชาวณนะทีนี้วัตถุที่อาศัยเกิดของสันติระณะออขออภยัยทั้งอตีตะพวังภวังขาจารณะพวังคู่ปเชเทะปัญจทวาราวัชนะ น, นี้อาศัยทแยวัตถุเนี่ยนะ ส่วนสัมปติชนะสันติรณะโวทัพชนะไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะพวกนี้ก็อาศัยหัตถยะวัตถุเหมือนกันส่วนทวิปัญจะนี้อาศัยปัญจวัตถุคือถ้าเกิดทางจักขุู่ทวารถ้าจาักรุูวิญญาณก็อาศัยจักรคู่วัตถุเหตุผลที่สัมปติชนะจิตไม่เป็นโสมนัสเพราะ วัตถุมันต่างกันเท่านี้เนี่ยนะจะว่าไปทั้งหมดนะเพื่อจะพูดให้รู้เท่านี้แหละวัตถุมันมันไม่เหมือนกันนะมันคนละอย่างกันมันจึงไม่ได้โสมนัสขึ้นในสัมปฏิชนะตัวนี้จึงไม่ไม่เกิดร่วมกับโสเนี่ยนะแต่สันติรณะนะทำไมเกิดร่วมกับโสมนัสได้ในบางดวงอ่ะนะบางดวงก็เป็น อ, อุเบกขาเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่าวัตถุมันเหมือนกันเท่านี้ล ท่านก็หาจนมาอธิบายได้นะให้เราคิดเองรู้จักที่บายว่ายังไงนั่นก็อันนี้ก็เห็นคุณของดีกาจาย์นะ ท, ที่ท่านเรียบเรียงให้ว่าเอมันก็อธิบายของท่านได้ <c oughs> แสดงว่าท่านคิดเรื่องพวกนี้มา ก, ก น, นะนนหาทายวัตถุคําว่าเหมือนนี่เหมือนอะไรคือคือคำว่าเหมือนเนี่ย คำว่าเหมือนเหมือนของเรากับคำว่าเหมือนเนี่ยเหมือนกันที่ว่าชื่อว่าหะไทยวัตถุเหมือนกันแต่ถ้าตัววัตถุเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่นนะเงื่อนไขเขาเขาอย่างนี้นะว่าหะไทยวัตถุนี้ต่างกันอย่างนี้ว่าถ้าหะไทยวัตถุที่เกิดพร้อมกับในอุปาทขณาของอติตะพวัง จะเป็นวัตถุที่อาศัยของภวังขจารณะหากทัยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับภวังขจารณะอันนี้เป็นวัตถุของภวังคู่ประเฉธาถ้าหาทัยวัตถุที่เกิดในอุปาทคณะของทวีปัญจะจะเป็นวัตถุที่อาศัยเกิดของสัมปติชนะถ้าหาทัยวัตถุที่เกิดที่ สัมปติชนะจะเป็นวัตถุของสันติระณะมันก็หาทายวัตถุเหมือนโดยชื่อเหมือนแต่ว่าโดยขณะต่างเนี่ยนะทีนี้อันนี้พูดตามในโบราณอาจารย์นะโบราณอาจารย์ท่านจะที่บายแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมมชรูปเกิดทุกอนุขณะของจิตนะสมมติว่าจิตหนึ่งดวงนี้แบ่งเป็นอุปาทิทีติและก็พังคนะะกรรมมชรูปเกิดทุกขณะเลย พันกรรมมชรูปที่เกิดทุกขณะในร่างกายเนี่ยทั้งหมดเนีเกิดทุกขณะแต่ว่าไอ้ที่เกิดก็เกิดไปที่เสื่อมก็ก็เสื่อมไปนะก็สืบเนื่องกันไปในลักษณะนี้อันนี้เฉพาะส่วนกรรมมชรูปนะีแต่ว่ากรรมมชยรูปเหล่านี้จะอ้วนจะพร้อมจะสูงจะต่ํำยังไงก็เกี่ยวกับอะไรอีก่านชะโรปด้วยนนจะดูหน่าดูหรือไม่น่าดูก็อยู่ที่จิตตชะโรบด้วยเนี่ยนะก็อุตูชะโรบด้วยแต่เฉพาะอันนี้เราพูดเฉพาะส่วนกรรมมชรูปอย่างเดียว